บางคนก็ภาวนาเขได้ผลเร็วนะบางคนจะช้าบางคนภาวนาง่ายๆก็ได้ผลบางคนภาวนาง่ายๆไม่ได้ผลต้องเอาจริงเอาจังมากเดินจงกรมนั่งสมาธิอะไรเยอะเลยทําในรูปแบบเยอะบางคนเจริญสติไปเรื่อยๆธรรมดาๆไม่ลําบากอะไรเลยใช่ก็ผ่านไปได้แต่ละคนไม่เหมือนกัน บางคนปฏิบัติง่ายบรรลุเร็วบางคนปฏิบัติง่ายบรรล้ช้าบางคนปฏิบัติยากบรรู้เร็วบางคนปฏิบัติยากบรรู้ช้าพวกนี้น่าสงสารที่สุดเลยแต่พวกน่าสงสารสุดยอดเลยพวกปฏิบัติเท่าไหร่ก็ไม่บรรลุแย่กว่านั้นมีอีกพวกพวกไม่ปฏิบัติพวกนี้อีกนับพบนับชาติไม่ถ่วนก็ไม่มีทางไม่ภาวนา สังสารวัฏยาวนะยาวไกลใครระลึกชาติได้จะรู้เวียนว่ายตายเกิดมีจริงๆไม่ใช่นิยายหลอกเด็กชีวิตท่านก็แ่งขึ้นแก่งลงนะบางชาติก็รุ่งเรืองบางชาติก็รุ่งริ่งเอาแน่ไม่ได้ใครมีต้นทุนมากชีวิตก็สบายหน่อยไม่มีต้นทุนก็ลาบาก ต้นทุนมีทั้งต้นทุนทางโลกต้นทุนทางธรรมบางคนต้นทุนทางโลกมากต้นทุนทางธรรมน้อยต้นทุนทางโลกเยอะมีทรัพสมบัติมีเงินเยอะนะมีหน้าที่การงานมีรูปร่างหน้าตาดีแข็งแรงเนี่ยมีครอบครัวดีอะไรนี่เป็นผลของบุญที่ให้ผลมาแลมีต้นทุนในทางโลกเยอะ ทำมาหากินง่ายบางคนนะต้นทุนทางโลกน้อยทํามหากินลําบากกว่าจะกําไรนิดหน่อยก็ลําบากละบางคนนะไม่ต้องทํำไรนั่งนั่งนอนนอนเงินทองไหลมาเทมาก็มีเหมือนกันแต่ต้นทุนทางธรรมมันเป็นอีกแบบหนึ่งคนยากคนจนนะอาจจะมีต้นทุนทางธรรมสูงก็ได้ต้นทุนทางโลกต่ําเรามีศีลไหมบางคนให้ทําผิดศีลนะทาไม่ได้ แสดงว่าต้นทุนเขาดีนะเขามาฝึกให้จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวนะเขาไม่ได้หลงโลกพวกบางคนนะร่ำรวยแต่ว่าหลงโลกเฮ่เฮาฮาจะกินข้าวทิง้งต้องบินไปกินที่ฮ่องกงนะมื้อเช้ามื้อกลางวันกินฮ่องกงเย็นไปกินสิงคโปร์อะไรอย่างงี้นะต้นทุนทางโลกเยอะ ต, ต้นทุนทางธรรมไม่มีฟุ้งซ่าน หลงอยู่ในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในสัมผัสนะไม่รู้จักหาความสุขทางจิตใจบางคนน่ชอบหาความสุขทางใจนั่งสมาธิภาวนาอะไรเนะี่ยต้นทุนทางธรรมเขามีบางคนะมีต้นทุนทางธรรมในการเจริญปัญญานะเคยเจริญปัญญามาแต่ชาติก่อนๆชาตินี้ตอนเด็กๆนะเกิดอะไรกระทบแรงๆขึ้นมามีอารมณ์กระทบแรงๆขึ้นมา จิตดีดพังออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเลยเห็นร่างกายอยู่ส่วนร่างกายจิตใจอยู่ส่วนจิตใจความรู้สึกนึกคิดทั้งหลายแยกออกไปอยู่ตาหากักเลยเวลามีอารมณ์แร ง, แรงๆมากระทบนะเช่นตกใจนะตกใจอะไรขึ้นมาในจิตแทนที่จะตกใจแล้วอุทงอุทานอะไรนะกลายเป็นจิตดีดพังออกมาเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเห็นธาตุเห็นขันแยกเลยนี่ต้นทุนในการเจริญปัญญาเขาเยอะ บางคนต้นทุนในการเจริญปัญญาไม่ค่อยมีนะมีต้นทุนทางทําสมาธิมาไม่ถึงขั้นปัญญ า, านั่งสมาธิก็สงบอยู่งั้นนะกี่ปีกี่ชาติก็สงบอยู่งั้นนะไม่เคยเดินปัญญาเดินปัญญายากแยกธาตุแยากขันธ์ไม่เป็นไม่รู้ว่าต้องเดินปัญญาด้วยซ้ําไปนี้เราก็มาดูตัวเราเองนะต้นทุนทางโลกดูไม่ยากหรอกต้นทุนทางธรรมเรามีพอไหมเวลาจะทําผิดศีลละอายใจไหม ไม่อยากทาผิดศีลจิตใจวันวันหมกมุ่นกับเรื่องข้างนอกนะหรือว่าสนใจที่จะมาเรียนรู้กายรู้ใจของเราเองจิตใจสงบอยู่ในใกายในใจนี้เคยเห็นธาตุเห็นขันแยกไหมนะถ้าเห็นธาตุขันแยกเ น, นี่ยแสดงว่ามีต้นทุนในด้านเจริญปัญญามาแล้วนะถ้ามีต้นทุนทางสมาธิก็จิตสงบง่ายร่วมง่ายอะไรไปนะนี่ถ้าเรามีต้นทุนสูงนะศีล ส, สมาธิปัญญาเราสะสมมานาน สะสมมามากเนี่ยการปฏิบัติจะได้ผลเร็วแล้วต้นทุนต่ําก็การปฏิบัติได้ผลช้าดังนั้นเราอย่าไปอิจฉาคนอื่นว่าเขาเร็วทําไมเราช้าอะไรนี้นะต้นทุนแต่ละคนไม่เท่ากันและต้นทุนเก่านั้นส่วนหนึ่งนะต้นทุนเก่านั้นยังไม่พอหรอกต้องทําเอาใหม่ในปัจจุบันนี้ด้วยมีแต่ต้นทุนเก่าเนี่ยแค่ขี้เกียจปฏิบัติตอนเด็กๆ ฟ้าผ่าข้างๆตัวเองจิตธาตุขันแตกกระจายไม่ให้ถูกฟ้าผ่าแตกนะหมายถึงจิตตั้งบ้านมาขันแยกออกไปนะความตกใจไม่มีเลยเด่นดวงขึ้นมาหลังจากนั้นไม่เคยปฏิบัติอีกเลยนี่มีต้นทุนเดิมอยู่แค่นั้นเองนะต้นทุนเดิมยังไม่พอนะถ้าพอแล้วมันได้มากผลไปแล้วแสดงว่ามันยังไม่พอต้องทําเพิ่มอีกนะไม่เคยรักษาศีลก็ตั้งใจรักษาศีลให้บ่อยนะอย่าให้ศีลขาดศีลขาดแล้วก็ตั้งใจเอาใหม่ ไม่เคยฝึกจิตฝึกใจให้อยู่กับเนื้อกับตัวก็ามาฝึกจิตใจให้อยู่กับตัวเองนะอย่าล่องลอยหลงโลกเพลินอยู่กับโลกไม่มีอะไรขึ้นมาโลกก็มีอยู่แค่นั้นเองโลกก็แค่รูปแค่เสียงแค่กลิน่นแค่รสแค่สัมผัสเท่านั้นเองนะเราเพลินไปเท่าไหร่เท่าไหร่เดี๋ยวมันก็หายไปหนะลงโลกอยากดูรูปสวยๆรูปสวยๆก็อยู่ชัว่วคราวอยากฟังเสียงดีๆเสียงดีดดๆก็อยู่ชัว่วคราว อ, อยากได้รสอร่อยนะอร่อยแป๊บเดียว ใครชอบกินอะไรบ้างใครชอบกินทุเรียนบ้างมีไหมยกมือสิต้องถามคนไทยต้องถามชอบกินทุเรียนไหมเวลาไม่ได้กินทุเรียนานานๆ น, นะคําแรกอร่อยมากเนาะกินไปเรื่อยๆอะอร่อยไหม <c oughs> กินไปลูกครึ่งแล้ว <c oughs> ไม่อร่อยแล้วเห็นไหมความอร่อยเขาไม่เที่ยงนะรู้สึกสอิดสีเอียนแล้วะความสุขจากการกินสั้นนิดเดียวเอง ความสุขจากการดมกลิ่นไปซื้อน้ำหอมมาโอ้ยแพงมากเดี๋ยวนี้น้ำหอมแพงแพงขวดเท่าไหร่ขวดละเท่าไหร่นะหลักพันนะเป็นพันสี่พันใช่หรอโอ้โหแพงมากได้กี่ซีซีอะซีซีเดียวสี่พันอ๋อหลอดโอ้โหแพงมากนะซื้อข้าวกินได้ตั้งเยอนะเลหอมมากามาดมนะ นั่งดมไปเรื่อยๆทนไม่ไหวนะรู้สึกเวรกรรมแท้ๆเลยไม่ควรนะ <c oughs> เคยไม่ได้กลิ่นน้ําหอมที่คนอื่นอนะนอะเมื่อไหร่มันจะไปสักที <c oughs> ได้กลิ่นซ้ํากลิ่นซากนะทนไม่ไหวอทุกอีกนะอเ <c oughs> นี่ยความสุขจากกลิ่นแป๊บเดียวเดี๋ยวก็ไม่สุขแล้วความสุขจากรถก็แป๊บเดียวความสุขจากสัมผัสก็แป๊บเดียวนะมีสาวสามารูปสมัยสาวสามารูปมือเราลูบตัวเราอย่างลูบ รูปประเดี๋ยวประดาวก็ดูมีความสุขใช่ไหมถ้ามันรูปทั้งวันทั้งคืนต้องถีบมือนละเราจะนอนความสุขมันสั้นนิดเดียวความสุขมันสั้นนิดเดียวแหละทางโลกอ่ะเราเที่ยวสแสวงหาแทบเป็นแทบตายเพื่อได้มาแล้วก็สุดท้ายทนมันไม่ไหวหรอกมันอยู่ไม่ได้เนี่ยถ้าตพวกต้นตุนต่ําันหลงโลกพวกต้นทุนสูงมันไม่ลงโลกหรอกวันๆไม่ได้คิดเรื่องอยาะไปเที่ยวไหนคิดแต่ว่าทําไงครูบาอาจารย์ประเทศที่ไหนจะตามไปฟัง ให้คิดแต่เรื่องอย่างนี้นะหลวงพ่อมาก่อนนะมีตารางเลยนะตอนเป็นโยมอะ่ะอาทิตย์ที่หนึ่งที่นี่อาทิตย์ที่สองที่นี่อาทิตย์ที่สามที่มีครบอะครบทุกอาทิตย์เลยวัดโน้นวัดนี้ไปเรื่อยนะบางทีอา้าวไปเจอหลวงพ่อพุทธที่วัดนี้อีกอาทิตย์หนึ่งไปไปอีกที่อา้าหลวงพ่อพุธมาอีกแล้วนะเจอเวียนครูบาอจารย์ไม่ไปคิดไปเที่ยวอย่างอื่นเลย คิดแต่จะไปฟังธรรมเนี่ยเรียกว่ามันมีต้นทุนนะไม่ใช่อกหักรักสลายแล้วเข้าวัดฟังธรรมไม่ใช่ชีวิตมีความสุขมากเลยน่าสนใจเนี่เราก็ดูตัวเองนะอย่าไปโทษคนอื่นว่าทำไมภานาตั้งนา น, นไม่ได้ผลบางคนก็เร็วบางคนก็ช้าแล้วแต่ต้นทุนบางคนทําไมยากบางคนทําไมง่ายนะ พวกที่มันติดความสุขความสบายนะพวกนี้ต้องภาวนายากๆไปก่อนพวกที่ไม่ติดความสุขความสบายพาวนาง่ายๆก็ไปละพวกติดสุขสิสสบายวันๆจะนอนชมวิววันหนึ่งจะทัศนาจรนะเรื่นแต่ความสุขนะต้องเข้มงวดมากเลยกับ ต, ตัวเองตั้งออกตั้งใจนั่งสมาธิเดินจงกรมขี้เกียจนั่งก็นั่งขี้เกียจเดินก็เดินต้องข่มใจตัวเองอย่างแรงนะสู้ ก็มาจากพื้นเดิมของเรานี่นแหละนี่สัยเราบางคนก็เรียนง่ายบางคนก็เรียนยากบางคนก็รู้เร็วบางคนก็รู้ช้าเราไ ม, ม่ไปดูคนอื่นหรอกเราดูตัวของเราเองรู้รู้เร็วก็ไม่เป็นไรนะถ้ารู้ช้าก็ต้องพยายามภาวนาไปซึงวันหนึ่งก็ต้องรู้ปีนี้ยังไม่รู้นะเจ็บวันเจ็ดเดือนเจ็ปีแล้วยังไม่รู้ปีที่แปดอาจจะรู้นะ ปีที่แปดไม่รู้ก็ภาวนามันทั้งชีวิตเลยชีวิตนี้ไม่รู้ชีวิตหน้ามันก็ง่ายละมันจะประเภทฟังทีเดียวปิ้งไปเลยนะถ้าชีวิตนี้ตั้งใจภาวนาให้เด็ดเดียวเคยมีพระพระพระาหิยะพระพาหิยะนะสมัยพระพุทธเจ้าองค์ก่อนนะท่านออกบวชนะแล้วภาวนาจนตายเลยนะไม่ได้อะไรมรกผลอะไรก็ไม่ได้นี่เต็มที่เลยนะทุ่มเทเต็มที่เลย พอมาเจอพระพุทธเจ้าเรานะฟังธรรมไม่กี่ประโยคเป็นพระอรหันต์ได้เอตัทัคคะด้วยนะทางตรัสรุเร็วบรรลุพระอรหันต์เร็วที่สุดเลยพระเจ้าสอนนิดเดียวนะดูก่อนพาหิยะในการดาแลเมื่อเห็นจักเป็นศักว่าเห็นเมื่อฟังจักเป็นศักว่าฟังเมื่อทราบจักเป็นสักว่าทราบในการนั้นท่านย่อมไม่มีนถ้าท่านไม่มีในปัจจุบันไม่มีในอดีตไม่มีในอนาคตนี่แหละที่สุดแห่งทุกข์ฟังเท่านี้เป็นพระอรหันต์ เราอัดเสียงหลวงพ่อไว้แล้วไปฟังเช้ายานเย็นก็ไม่เป็นหรอกนะดูก่อนพาหิยะอะไรี้ไม่เป็นหรอกนะีก็พาหิยะเป็นเราไม่ใช่พาหิยะพระเจ้าไม่ได้เรี่ยดเลยไม่เป็นทําไมท่านง่ายเพราะท่านยากมาแล้วไม่มีหรอกไอ้ที่ฟรีๆนะฟลุกฟลกุฟรีๆไม่มีนะมีแต่ของต้องทุ่มเททำออกมาเป็นเรื่องของกฎแห่งกรรมทั้งสิ้นเลยถ้าเราไม่ได้ทํากรรมมันดีไว้แนละ้วก็ภาวนาไม่ค่อยได้ผลหรอก มันอยู่ที่ต้นทุนของเราเนะงินจะต้นทุนมากต้นทุนน้อยก็ไม่เป็นไรต้นทุนมากก็พอนาเข้าไม่นานบรรลุมรรคผลในชีวิตนี้ต้นทุนน้อยหน่อยภาวนาเต็มที่ไปเลยตลอดชีวิตยังไม่ได้ชันหน้าง่ายเลยซีดีหลวงพ่ อ, อยังอยู่มั้งถ้าตายเป็นมนุษย์นะชันหน้าไม่ได้ยินเสียงหลวงพ่อประโมทเทศบอกว่ารู้ทันจิตไว้เห็นจิตปุ๊บขาดเลยนะ คงไม่ใช่ขาดใจตายนะหมายถึงขาดจากกิเลสไปเลยนของมันเต็มมาแล้วขาดอีกนิดนิดหน่อยหน่อยของเราอาจจะขาดเยอะหน่อยเราก็ขยันหน่อยนะอย่าอย่าท้อแท้นะท้อแท้ไปวันนี้ชาติต่อๆไปก็ยากอีกเลยเคยมีคนไปอวดหลวงปู่ดูลบอกเขาไม่นั่งภาวนาหรอกเขาไปฟังเทศมหาชาติได้13กันในคืนเดียวนีเขาจะได้พบพระีอระยะเมตไตร มาเจอพระเสียรยะาเมตไตรแล้วฟังธรรมปุ๊ บ, บึงบรรลุเลยหลวงปู่บอกไม่มันรู้หรอกนะมันเหลวไหลตั้งแต่ชาตินี้ น, นั่นนิสัยเหลวไหลอย่างนี้ยขี้เกียจขี้คล้านเอาแต่ได้อะไรเงี้ยกว่าจะสะสมนิสัยเร็วๆอย่างนี้เรื่อยไปน่จะเจอพระเียา์นะพานำไม่ได้หรอกเพราะมันยิ่งเร็วกว่านี้อีกนะศาสนาพุทธถ้าของพระพุทธเจ้า อ, อนี้สมบูรณ์แบบอยู่แล้วยังเอาไม่ได้เลยนะแล้วไม่คิดจะเอา ที่จะไปรอข้างหน้านะพวกนี้พวกหลอยถ้วยแต่หลวงปู่ไม่ได้ใช้คํานี้นะต้องทํานะทําให้กันบ้านนะพวกที่ฟังหลวงพ่อไม่รู้เรื่องนะหลวงพ่อให้กันบ้านให้ไปฟังซีดีฟังแล้วฟังอีกมีแผ่นเดียวฟังมันแผ่นเดียวนัว่นแหละะฟังไปเรื่อยๆไม่นานมันก็ปิ๊งขึ้นมานะเมื่อกี้เพิ่งมีใครมาเล่าแม่เพื่อนนะ่ะแม่เพื่อน เส้นเลือดอุดตันในสมองอะนะเขาเอาลูกก็ เ, เอาวีดีโอหลวงพ่อไปให้ใหฟังให้ดูแกดูทุกวันเลยนะใจแกค่อยดีขึ้นดีขึ้นอย่างนี้ก็มีนะบางคนเรานึกว่าเรียนไม่ได้แล้วฟังซ้ำแล้วซ้หอีกก็เป็นกันมาพวกเด็ ก, เ ล, ก, เ, ลกเล็กเนี่ยฟังพวกเราผู้ใหญ่นะฟังหลวงพ่อเทศน์นรู้สึกยากนะบางทีเด็กเล็กๆฟังแล้วไม่รู้สึกยากแล้วตรงไหนยากมันก็ไม่ฟังนะ มันฟังตรงที่มันรู้เรื่องนะฟังไปฟังไปนะมันรู้เรื่องก่อนผู้ใหญ่อีกนะมีนะเยอะเลยนะเดี๋ยวนี้ลูกศิษย์รุ่นจิ๋วๆของหลวงพ่อนั้นมีเยอะเลยลูกเล็กเด็กแดงนะแต่พวกนี้ส่งกันบ้านไม่เป็นะให้ส่งกันบ้านพูดไม่เป็นแต่ว่าจิตมันเป็นะจิตมันดีจิตมันรู้มันตื่นเบิกบานนะเวลาแม่โมโหจะตีมันมันก็บอกแม่ดูจิตไยเออฉลาดมากเลยนะเอาตัวรอดได้ แม่ก็หมดดูจิตลืมตีมันไปทำนะไปทาเขาฟังฟังแล้วฟังอีกนะเมื่อก่อนไม่มีซีดีแจกนะก็มีคนมาอัดเทปไปสมัยยังเป็นเทปตลับอ่ะมีคนหนึ่งมาอัดเทปไปเป็นอาจารย์เกษตรที่บางเขนแกฟังอ่ะเทปยืดพอเทปยืดปุ๊บแกปิ้งขึ้นมาเลยจิตแกตื่นขึ้นมาแล้วแยกธาตุแยกขัน่ค่อยๆมาเรียนเอา งั้นไปฟังนะฟังบ่อยๆคนต่างจังหวัดคนไกลๆเนี่ยไม่เคยเจอหลวงพ่อหรอกไม่เคยส่งกันบ้านได้แต่ยินได้ยินคนอื่นส่งงานบ้านในซีดีฟังเข้าที่ไรก็อิจฉาเข้าทุกทีเลยว่าเราทําไม่เป็นนะแต่พวกนี้กับภาวนาเก่งเยอะเลยนะเพราะงั้นไปฟังซีดีเอาต่อไปส่งงานบ้านมีความสุขไหมมีความสุขแล้วรู้ตัวไหมถ้าไม่รู้ตัวเป็นราคะนะ ถ้ารู้ตัวก็ว่าจิตเราเป็นกุศลเราได้ฟังธรรมมีความสุขขึ้นมามีความรู้เนือ้อรู้ตัวขึ้นมะาจิตเป็นกุศลเป็นมหากุศลจิตนะประกอบด้วยโสมนัตเวทนามีความสุขนะเกิดโดยชักชวนต้องอาศัยการฟังนะถึงจะเกิดนะถ้าบารมีแก่กล้าฝึกดีไม่ต้องมีการชักชวนน้มนํานะก็เกิดได้เองนะจิตที่เป็นกุศลส่งกันบ้านให้พวกอยู่วัดก่อน กลับนมสัส ก, การหลวงพ่อค่ะก็มาภาวนาที่วัดรู้สึกว่าติดมีกําลังมากขึ้นแล้วก็เวลาเดินจงกรมก็เรียนได้นานขึ้นจากปกัจจัยเวลาเดินมีสติไหมมีสติค่ะตอเราไม่เดินเอาเวลาเนะวันเดินนานเท่านี้ชั่วโมงนี่ไม่สําคัญหรอกสำคัญที่ว่าเดินแล้วมีสติไหมนะเดินหนาทีแต่ว่ามีสติใจไหลแว บ, บรู้สึกแวบรู้สึกนะเห็นท่าเห็นขันแย้งโอ้ดีอย่างนี้เดินแล้วก็ใจลอยไปสามชั่วโมงรู้ทิ้งอย่างนี้ไม่ได้เรื่องเลย แล้วนไปดูจิตตัวเองบ่อยๆนะจิตเราจะแหว่งซ้ายแหว่งขวาอะไรเงี้ยรู้ไปเรื่อยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายนะจริตนิสัยที่ช่างคิดเนี่ยต้องดูจิตเอาเพราะจิตมันจะแหว่งนะดูความเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยสุดท้ายปัญญามันเกิดจิตนี้มันไม่เที่ยงจิตนี้มันไม่ใช่ตัวเรานะถ้าเห็นแค่อย่างนี้ได้มันก็ได้ธรรมะขึ้นมาไปทาเอานะอ่ะ วันนี้รู้สึกเไม่ร้อนลนเหมือนเมื่อวานเมื่อวานรู้สึกว่าอารมณ์มันรุนแรงออค่ะมาวัดวันแรกก็แรงหน่อยก็เท่งแล้วก็เมื่อเช้ารู้สึกจะเพ่งมากกดๆเยอะอตอนนี้รู้สึกว่าจะผ่อนกว่ากาันเออิมเยอะค่ะถูกแล้วล่ะนะดูไปเพ่อให้เห็นนะมันทำงานของมันเองมันหนักเองเบาเองดีเองร้ายเองห้ามไม่ได้เลยสั่งไม่ได้ อ, อว่ามา ก็ฟุง้งซ่นเยอะอะค่ะจิตไม่ค่อยตั้งมั่นโดยปกติก็คือจะใช้ลมหายใจอะค่ะเป็นวิหารธรรมก็คือมีตั้งใจว่าแอบดูร่างกายมันหายใจอะค่ะทุกทีแต่ว่ามันไม่ได้รู้จิตชัดอะค่ะแทนที่ว่ามันจะไปรู้จิตมันกลับว่าขยับกายกับพิบตาอะไรมันก็จะรู้กายไปเรื่อยๆออมากกว่ารู้จิตอะค่ะนั่นแหละถนัดดูกายขนัดดูกายก็ดูกายถนัดดูจิตก็ดูจิตทางกายทั้งมัน S <S มันไปที่เดียวกันหละ <C HA> สุดท้ายไม่เห็นกายไม่ใช่เราจิตมันอาศาัยอยู่ในกายสุดท้ายมันก็เข้ามาเห็นจิตมาล้างกันที่จิตเองมันมาเองค่ะแล้วก็เมื่อวานนั้นโมหะมันเยอะอะค่ะเหมือนกับเหมือนกับจะต่อสู้กับโมหะแล้วก็มันเหมือนกับแรงไม่พอแต่ว่าเห็นเลยว่ามันเคลือบคลานเหมือนเมฆมาปกคลุมอะค่ะก็<อ>พยายามจะสู้แต่ว่าสู้ไม่ได้เลยสู้ไม่ได้กิเลสนีไม่ได้เอาไสู้ <C HA> จิตมีโมหะให้รู้ว่ามีโมหะไม่ชอบมันรู้ว่าไม่ชอบนะมันมีความยินดียินร้ายเกิดขึ้นให้รู้ทันความยินดียินร้ายนะดีใช่ได้ดีขึ้นเยอะเลยเอา้าวถ้าถ้าไม่ส่วนมากจะเบลอแล้วก็โกดแรงช่วงนี้ถ้ารู้สึกตัวปุ๊บมันจะมีความบีบคั้นมันถูกก่กากยเพิ่มขึ้นหน่อยนะช่วงนี้ดูร่างกายเยอะขึ้นหน่อยดูร่างกายเพิ่มขึ้นหน่อย mm. ถ้าจิตใจเราไม่มีกําลังพอดูจิตลําบากดูกายเดี๋ยวมีแรงก็ดูจิตชัดจิตมันฟุ้งจิตมันฟุ้งเพราะมาดูกายรู้สึกอยู่ในกายเรื่อยๆได้สมาธิขึ้นมาเนี่ยเห็นไหมตัวเนี้ยสมาธิใช่ไหมเออสมาธิไม่พอจิตมันฟุ้งเวลามันรู้สึกอะไรมันเลยลงไปคลุกเวลารู้สึกแล้วมันเลยลงไปคลุกใช่ไหมใช่มันไม่มีแรงไม่ตั้งขึ้นมานะสมาธิไม่พอ งั้นดูกายเรื่อยๆก่อนช่วงนี้นะเดี๋ยวมีแรงแล้วมันก็ดูจิตได้มันก็เห็นขันในจิตแล้วแยกออกไปเวทนาส่วนเวทนาจิตส่วนจิตอลไรแยกเองธรรมนามสการค่ะมาวัดอยู่วันแล้วมันเหมือนมันฟุ้งฟุ้งเยอะเหมือนกันนะคะอยู่ข้างนอกก็ฟุ้งน่ะถ้วยอยู่วัดฟุ้ง <laughs> มันเห็นแต่ว่าเวลาเดินจงกรมหนูหนูเดินแล้วรู้สึกกลา ย, ลายไปนะคะแล้ว มันเหมือนมันก็เผยคิดออกไปแล้วมันก็เห็นกรร ม, มาเห็นกายแต่ว่ามันรู้สึกไม่เป็นกลางแบบว่าไม่อยากให้มันอย่างนั้ น, น, นก็หนูก็เลยท่ทองให้รู้ทันตรงที่ไม่เป็นกลางนะแล้วหนูก็เลยท่องพุโทโธพุธโทโธหนึ่งสองสามไปเรื่อยๆถ้าอย่างนั้นจะได้สมาธิแล้วหนูก็เห็นว่ามันเหมือนกับว่า เห็นพุทโธเห็นตัวมันพท่องพุทโธด้วยเห็นมันคิดไปด้วยเห็นมันเดินบ้างเอออย่างนั้นท่องพุทโธไปมันไปมาจนมันสับสนเหมือนกันอ้าวอย่างนั้นเลยดีไม่ต้องสับสนนะเราพุทโธยืนพื้นไว้แล้วรู้ทันจิตพุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้วรู้ทันพุทโธพุทโธจิตหนีไปแล้วรู้ทันมันรู้แวบเดียวอะค่ะหลวงพ่แวบเดียวพอเพราะแต่รู้ขนาดเดียว แต่ก่อนหนูรู้หนูก็เฮ้ยเผลอแล้วอะไรอย่างเงี้ยแบบเหมือนแต่เดี๋ยวนี้มันไม่มันไม่ไปอะไรใช่ไหมคะอย่างนั้นดีดีกว่าไปนั่งบรรยายนะเปลอไปแล้วโลภไปแล้วเสียเวลาฟังแล้วเหนื่อยแล้วหนูมีคําถามนิดนึงหนูไม่เข้าใจเรื่องจิตตั้งจิตไม่ตั้งมั่นกับจิตไม่อยู่ในฐานนี่คือมันอันเดียวกันไหมคะอันเดียวกันแหละหนูเห็นไหมจิตมันไหลไปไหลมาเดี๋ยวก็ไหลไปดูเดี๋ยวก็ไหลไปฟังเดี๋ยวไหลไปคิดตรงที่ไหลนท่าไหละไม่ตั้งตรงที่รู้ว่าไหลมันจะตั้งเอง ไม่ต้องไปดึงนะไปดึงกลัวไหลแล้วทีดึงจะให้ตั้งอันนี้แน่นเกินไม่ดีบคบอใครจิตออกนอกบ้างเออสาธุใครเคยเห็นเขามีปูนะคนโบราณเขาจะจับใส่กระด้งแล้วมันจะวิ่งพวกเรามันเหมือนจริงๆเนะมันก็เหมือนเหมือนกระด้งอันหนึ่งนะเดยกเขาวิ่งชิลล์ไปน้นตรงนี้นะ ต้องทำปูเข็มเจ้านอะ่ะก็เ ม, มื่อวานมานี่ยังรู้สึกชัดเจนว่ามีความมัวแล้วก็มีเหมือนยังมาตอยเลยค่ะหนืดหนืหน่มากๆคือเจริญปัญญาเจริญสติอะไรไม่ได้มาเป็นปีแล้วค่ะและเมื่อวานก็เป็นวันหนึ่งที่เจ็บเจ็บมากเจ็บคอเจ็บเข่า ก็อาศัยเดินจงกรมได้สักชั่วโมงหนึ่งก็เจ็บก็หยุดแล้วก็เลยไปนั่งสวดมนต์แทนเวลาสวดมนต์เราจะมีความสุขแล้วก็ตอนเด็กๆชอบพุทโธเมื่อวานก็เริ่มกลับมาพุทธโทอีกครัคือนะถ้ากรรมฐานที่เราทําตอนเด็กๆนะเราคุ้นมาบางทีคุ้นมาจากชาติก่อนๆเลยนะอยากพุทธโทเองแต่เด็กเนี้ยอย่าทิ้งของเดิมให้ต่อยอดเอาก็เมื่อวานตอนสวดมนต์ตอนเย็นเนี่ยทำวัดเย็นก็รู้สึกยังเจ็บข้อเจ็บเข่ามากปรากฏว่า พอสวดเสร็จก็ออกไปกรวดน้ําอืำนั่งกรวดน้ํามีบนเก้าอี้เทน้ําเสร็จลุกขึ้นความเจ็บหายไป อ, อย่างที่ไม่ได้รู้สึกมาหลายเดือนมากแล้วเธอนอะแล้วทําบ่อยๆนะภาวนาเข้าส่วนบนตเข้านะแผ่ส่วนบนส่วนกุศลเข้าแล้วก็เมื่อคืนพอหลับก็เป็นครั้งแรกในนานมากที่หลับไปแล้วพลิกตัวยังรู้สึกตัวอยู่อืค่ะดีก็เช้านี้ตื่นขึ้นมาก็รู้สึกว่าจิตมีกําลังอย่างที่ไม่ได้มีมามเป็นปีแล้วค่ะดีแล้วล่ะนะ แล้วก็รู้สึกกระเพื่อมจิตกระเพื่มตลอดเวลาแล้วก็รู้สึกหัวใจเต้นพ้นั่งนิ่งๆจะรู้สักจะรู้สึกกายที่หัวใจมันเต้นทุกจังหวะเอยได้ดีค่ะรู้ไปนะเห็นร่างกายอยู่ส่วนกายจิตอยู่ส่วนจิตนะก็ค่อยๆ ค, ค, ค่ะรู้สึกว่าปีนี้เป็นปีที่สิบสาตั้งแต่เคยเรียนหลวงพ่อครั้งแรกมาชิ้งโอกาสตัวเองมนะันหะ่านมากแล้วอ ม, มีข้ออ้างเยอะเหลือเกินผงต้องตั้งใจเพียรจริงๆทันทีเวลาเราพอนาเนะพวก มารพวกอะไรเงี้ยโบราณชอบเรียกเจ้ากรรมนายเวรอะไรเงี้ยนะมันกวนนะพวกมารทั้งหลายมันทีมกวนมันอิจฉาริษยากลัวเราจะได้ดีมันก็แกล้งนะแล้วก็แผ่เมตตาแผ่ส่วนบุญไปนะเอาต่อไปใครจะคุยอยู่หลวงพ่อขอที่จำเป็นนะที่จาเป็นจริงๆ ก, ก, การนมัสการพระอาจารย์ครับว่าไงครับส่งกลับบ้านครับ เมื่อหลายเดือนก่อนเคยมากราบถวายการบ้านนะครับผมว่ามันยุกยิกยุกยิกที่หน้าอกอะครับมันก็ยังเป็นอยู่อะครับไม่ห้ามมันนะให้มันยุกยิกไปไม่เป็นไรมันแต่มันมันไม่มีมันไม่มีความหมายอะไรเลยมันมีคือถ้าสติปัญญาเราไม่รู้ทันมันนะมันยุกยิกยุกยิกสักพักหนึ่งมันก็อยู่เบี่ยงออกมาเป็นราคะบ้างโท่สาบ้างโมหะบ้างเป็นกุศลบ้าง เป็นความสุขบ้างเป็นความทุกข์บ้างมันไหวขึ้นจากที่เดียวกันนั่นแหละนั้นให้เรามีสติรู้เราก็เห็นว่าสิ่งใดเกิดสิ่งนั้นดับไม่รู้ว่าคืออะไรเรายังไม่ทันรู้ว่าคืออะไรถ้าช้ากว่านั้นก็จะรู้ว่าคืออะไรดังนั้นการที่เราสติไวมากเราก็เห็นแต่ยุกยิบยุกยิบหลวตามมหาบัวสอนนะบอกว่าทำแท้เกิดขึ้นกลางอกแล้วภาวนาพอถึงขั้นละเอียดนะัเหลือแต่ยิบยๆบยิบยับเป็นเรื่องธรรมดานะภาวนาดีถึงจะเป็น ขา่าวเชิญาที่พระอาจารย์เมตตาสอนมาก็คือมันจะหมุนนะครับอาจารย์พูดว่าหมุนผมก็สงสัยไว้มันหมุนซ้ายหรือมันหมุนขวาเนี่ยไม่ต้องไปดูอย่างนั้นนะปกติมันหมุนไปทางเดียวกันป่ะครับว่าตามว่าหมุนไปเรื่อยเลยนะหมุนใหมายถึงอย่างนี้เดี๋ยวก็เวียงไปทางตาเดี๋ยวก็เวียงไปทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเนี่ยหมุนอยู่ทางอายตนะหกอันนี้แหละครับหมุนซ้ายหมุนขวาได้ทั้งนั้นแหละ ถ้าถ้าไปเห็นมันหมุนจริงๆอย่างนั้นน้ากลายเป็นนิมิตนะเราไม่ไปดูอย่างนั้นหรอกเราแค่ดูความเปลี่ยนแปลงของใจไปเรื่อยๆเวลาดูจิตเนี่ยมันจะเห็นอยู่สองอย่างก็คือเห็นมันยุกยิกและเห็นอีกอย่างมันก็จะเป็นแบบเห็นความเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาเออนั่นดีนะมันยุกยึกไปเรียบร้อยแล้วล่ะมันถึงปรุงเป็นตัวเป็นตนขึ้นมาะดีเห็นแค่ตัวเป็นตัวเป็นตนนี่มันมันพอหรือเปล่าครับอาจารย์พอ เห็นตัวไหนเกิดขึ้นแล้วตัวนั้นก็ดับไปเห็นอย่างนี้ซ้ําแล้วซ้ําอีกนะนั่นแหละดีเราไม่ได้ว่าต้องเห็นตัวอะไรแต่ว่าสิ่งที่เราต้องเห็นก็คือไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเห็นตัวเดียวเห็นหลายตัวนะแต่ทุกตัวแสดงไตรลักษณ์เราเห็นไตรลักษณ์ซ้ําแล้วซ้ําอีกนะเราก็จะเข้าใจธรรมะงั้นยังเห็นความมีตัวตนเกิดขึ้นความมีตัวตนดับไปอย่างนี้เห็นถูกแล้วเห็นดีถึงไม่เห็นไปเห็นอย่างอื่นก็มีค่าเท่าเท่ากันแหละ อันนี้ขออ น, นุญาตเรียนถ่ายพิธีนะครับอีกอย่างนึงก็คือเคยฟังพระอาจารย์เล่าว่าสมัยก่อนตอนที่พระอาจารย์เป็นคารวะเนี่ยเคยไปกราบเรียนถาปัญหาเรื่องยุกยิกกับหลวงพ่อพุธนะรพพครับนะผมเข้าใจว่าตอนนั้นน่าจะเป็นตอนปลายๆการภาวนาแล้วฮะือไม่หรอกตอนต้นๆต่างหากหรอแล้วครับแล้วทําไมดูอาจารย์น่าจะแบบแต่ผมยังกิเลสทุกอย่างมันอยู่ครบเลยทําไมมันเหมือนการประหัดยุกยิก ตอนนี้กับตอนนั้นของพระอาจารย์นะเหมือนกันสิสมัยหลวงพ่อหัดใหม่ๆนะตอนนั้นก็มีกิเลสเนาะว่ยุกยยขึ้นมาแหละแต่มายุกยๆๆๆนะิยุคยินันจะกลายเป็นกุศลนะปรุงกุศลแทนสุขทุกข์ดีชั่วมขึ้นมาจากตรงนี้หมดเลยอย่าไปกังวลใจนะเราต้องการให้เห็นไตรลักษณ์แต่ว่าถ้าดูจนเหนื่อยก็ต้องทำสมถะ น, นะมันเหมือนเดินมานานสักพักแล้วคพระอาจารย์ต้อง ควรจะเน้นอะไรเป็นให้รู้ทันกิเลสนะชื่อกูกุจจะนะกูกุจจะเป็นความร่าร้อนใจลาคาญใจว่าไอ้ที่ดีๆยังไม่ได้สักทีนะเป็นกิเลสที่ขวางเราอยู่นะตัวเนี้เป็นนิวรณ์ที่กั้นเราไว้ให้รู้ทันใจไปเลยใจเราไม่เป็นกลางตัวยุกยิกนี่ผ่านยากนะดูกันแลมปีเลยละ่ะถ้าเกิดว่าภาวนาเนี่ยอ น, นิสงฆ์ใดขอถวายเป็นพุทธบูชาเป็นอาจารย์ญาบูชาครับสาธุโห้ยชอบนะนี่ หลวงพ่อฟังแล้วก็ปลื้มใจนี่ขนลุกดีพอนามต้องให้ได้อย่างนี้สิกลับนวัตการมท่านอาจารย์ครับคืออาจารย์มีมานฝากมาถามเรื่องสุญญาตาฮะอส่วนผมนี่ท่านอาจารย์ได้เทศด้วยหมดแล้วครับเรื่องท่านโพธิละมไม่มีอะไรจะถามแล้วครับอืแค่นั้นครับขอบคุณครับสุญญาตาอย่าไปทํามันนะสุญญาตานั้นพระอรหันต์ท่านเห็นเราไม่เห็นหรอกถ้าเราเห็นไราจะเป็นเนอากาสาย อากาศาเราไปเห็นช่องว่างไม่ใช่สุญญตานะสุญญตาเห็นไม่ได้งั้นเราไปไม่พยายามทำสุญญตานะกับนมัสศการเจ้าค่ะช่วงนี้ลูกมีมีมีความเก่งเป็นแบบแค่พอจะเคลื่อนเนี่ยค่ะความเก่งมันก็ไปทั่วตัวค่ะแล้วก็ตอนนี้จะรู้สึกเหมือนแน่นที่ แผนหลังแล้วก็จะตามทายทอยแล้วก็สีสาค่ะก็จะมีคลายบ้างเป็นระยะอาหารแล้วก็เวลาฟังของหลวงพ่อมันจะมันจะเหมือนแบบเออเมือ่อแล้วก็ฟังไม่รู้เรื่องอะเจ้าค่ะเนี่ยเจริญเมตตาเยอะๆน ะ, ะจิตได้สมาธิขึ้นมาถึงจะฟังรู้เรื่องเจ้าค่ะแล้วช่วงนี้ลูกก็ทั้งดูกายแล้วก็ดูจิต ไม่ออกเลยเจ้าเออนะเพราะว่าใจเรามันโมหะครอบอยู่สาธุค่ะแล้วนั้นเราต้องทําสมถนะวิธีทําสมถะสมถะที่เดียว น, นึงก็จเจริญเมตตาไปเลยแผ่มเมตตาไปเรื่อยๆในใจนะนึกสัตว์ทั้งหลายจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่ามีเวรซึ่งกันและกันเลยขอให้สัตว์ทั้งหลายจงมีส่วนแห่งบุญที่เราได้ทําแล้วอย่างเงี้ย น, นึกอย่างนี้เรื่อยๆนะสาธุค่ะบริกรรมไปเรื่อยๆเดี๋ยวจิตจะมีพลังขึ้นมาพวกที่ครอบอยู่นี่หายไปหมดอนะ มานไม่ปล่อยให้เราหลุดมือง่ายๆหรอกออมีความรู้สึกว่าภาวนาแล้วบางทีก็จิตเห็นกายจิตเห็นจิตบางทีก็เห็นทุกขเวทนา อ, อย่างนี้ออถูกแล้วใช่ไหมถูกแล้วละ่ะแล้วรู้สึกว่าไม่แน่ใจว่าตัวเองขึ้นวิปัสสนาไม่ว่า ไ, ไม่ว่าเราเห็นอะไรนะถ้าจิตเรายินดีให้รู้ทันจิตเรายินร้ายให้รู้ทันแต่ไม่ถึงขนาดต้องไปนั่งถามมานะันว่ายินดียินร้ายหรือเปล่าอะไรเงี้ยไม่ต้องนะ ทฝึกอยู่ในใช้ได้นะ ใ, นใจยังฟุ้งนิดหน่อยเท่านั้นแหละแต่ว่ามันก็จะบางทีเวลานั่งสมาธิมันก็จะเคลิมง่ายค่ะคือถ้าฟุ้งมากเวลานั่งสมาธิมันจะเคลิมค่ะนะแต่ถ้าเราเคลื่อนไหว <c oughs> เคลื่อนไหวไปเรื่อยมีสติไปเรื่อยน ะ, ะพอจิตมันมีแรงไปนั่งสมาธิไม่เคลิมไปค่ะหลวงพ่อเคยบอกว่าให้ดูกายทันก็ดูดูจิตทันก็ดูยังคงใช้แบบนั้นอยู่ใช่ ใ, ชใชอย่างนั้นน ะ, ะแต่ว่าทําอะไรสักอย่างหนึ่งให้จิตมีที่อยู่ จิตจะได้มีแรงขอบคุณค่ะนนกาบหลวงพ่อค่ะคือเคยคิดว่าตัวเองตื่นแต่ภาวะตื่นมันแตกต่างจากหลวงพ่อที่บอกก็คือว่าหนูไม่ได้ตื่นแบบรู้กายรู้ใจนะคะหนูเห็นกําลังตั้งใจดูจิตตัวเองเยงี้แล้วมันสว่างวาบขึ้นมาแล้วรู้สึกว่าตัวเองรู้ตัวชัดตอนนั้นเราคิดว่าตัวเองตื่นเ <c oughs> งค่ะแต่มันเหมือนลืมกายลืมใจไปนะคะ <c oughs> มันไปเห็นสภาวะความเพรนั้นเป็นสมาธิใจมีสมาธิก็สว่างขึ้นมา มันจะเห็นเป็นระยะระยะเข้ามาแทางแทงที่ลืมตายเอ อ, อไม่เป็นไรตอนนั้ น, นให้ดูอะไรอ่ะคะ่ะะถ้ายินดีก็รู้ทันยินร้ายก็รู้ทันสงสัยก็รู้ทันรู้ทันจิตไปไม่ว่านิมิตใดๆเกิดขึ้นเขารู้ทันจิตไหมเวลานั่งมันก็สว่างเป็นช่วงๆนะเมื่อีก็เคลิ้มๆไปเดี๋ยวก็สว่างขึ้นมาสว่างข้นมาก็ได้แรงทิ้งธรรมดาในนั้นเป็นเรื่องของสมาธินะ หนูเห็นแม่ร่างกายไหว้ร่างกายพยักหน้าคอยรู้สึกร่างกายให้มากนะหนูต้องดูร่างกายเยอะเพราะสมาธิมากถ้าสมาธิเยอะต้องดูกายถาบนมัสการหลวงพ่อครับก็คือก็คือตั้งแต่ฟังซีดีหลวงพ่อมาครับก็พยายามรู้กายรู้ใจไปในชีวิตประจําวันนะครับแล้วก็เหมืนกับว่าช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมาครับพอดีเพิ่งไป เทคอร์ดแบบเหมือนทำในรูปแบบครับผมก็คือก็คือจะทําผมก็จะทําเดินจงกรมเวลา30นาทีครับแล้วก็นั่งสมาธิเวลาสานาทีแต่ว่าอะไรมันน้อยนะอ่ะอะไรนะครับไปเข้าคอร์ดวันนึ่งทำแค่นี้เหรออ๋อไม่ใช่ครับหมายถึงว่าอันนี้มันเป็นการบ้านที่อ๋อกลับมากลับมาแล้วเอาอย่างนั้นใช้ได้นึกว่าทางคอร์ดจะนั่งสาเดินสามสิทำไมเป็นน้อยนักครับผมแล้วก็คือพอทําเนี่ยครับผมจะใช้เหมือนกับ ให้ให้จิตนะครับให้ใจนะครับนึกพุทโธไปเรื่อยๆครับแต่ว่าเดินจงกรมผมก็เดินเดินไปแล้วก็ใจก็นึกไปเรื่อยๆมันก็ทําให้เห็นความคิดบ้างแล้วก็กลับมาอยู่ที่กายตอนเดินบ้างอะไรเงี้ยครับแต่คราวเนี้ยที่จะถามก็คือผมจะเหมือนกับว่าเอาความรู้สึกไว้บริเวณที่หน้าผากเนี้ยแล้วก็ให้ใจนึกพุทโธไปเงี้ยครับ ม, มันจะทําให้ในอนาคตเนี้ยกลายเป็นติดเพ่งไหมครับก็ติดได้เหมือนกันก็ติดได้เหมือนกันถ้ามาไหวแถวนี้เดี๋ยวจะงงง่ายนะ เตี้ยลงมาไหนว่าแถวจมูกแถวอะไรนี้นีกว่างงมาไว้ที่หน้าเนี่ น, นะมันจะงง ง, ง่ายอ๋อไว้ที่ปลายจมูกลมหายใจแต่วไว้ที่ลมที่ลมกระทบอ่ะนะตรงจุดที่มันลมมีลมกระทบอ่ะนะก็แค่พุโทโธไปนะจิตเคลื่อนเรารู้จิตเคลื่อนเรารู้อยู่ตรงนี้เดี๋ยวมันจะสว่างว่างไปเลย สรับน้ำมัสการหลวงพ่อคะ่ะได้รับฟังซีดีจากหลวงพ่อแล้วก็ฝึกปฏิบัติเองก็รู้จิตรู้กายบ้างเป็นบางครั้ง <c oughs> ะคะ่ะก็บางๆมีปิติบ้างมีแล้ว ก, ก็ก็รู้ไปเรื่อยๆแล้วอย่างเมื่อเช้านีคะ่ะปกติที่ฟังซีดีจากหลวงพ่อจะได้ยินเสียงะระฆังก็ ไม่ไม่รู้สึกว่าใจกับเพิ่มเหนืออะไรแต่เมื่อเช้ามาเรารู้สึกว่าใจกับเพิ่อมก็เลยก็เลยมีปิติก็คิดว่าเรารู้จริงเออนั่นแหละน ะ, ะมาใหม่ๆนะได้ยินละคังใจกับเพิ่มนะถ้าพวกเก่าๆเนี่ยได้ยินละคังน้ํำลายไหลเลย <c oughs> ค่ะกราบขอบพระคุณค่ะกราบหลวงพ่อเจ้าค่ะตอนนี้ มันบังคับมากนะคะเจ้าค่ะหลวงพ่อมันไม่เป็นธรรมชาติเลยทำไมล่ะมันอยากอะไรมันเพราะว่าจิตใจเขารู้สึกถึงความคล่ำคลําของร่างกายนะคะแล้วเขาก็เหมือนกับว่าจะจงใจปฏิบัติมากนะคะหลวงพ่อดูไปสีร่างกายคล่ำคล้านะจิตใจเป็นคนดูจะไปจงใจอะไรเยอะล่ะอย่าไปรีบยิ่งรีบยิ่ ง, งช้านะ ตัวที่ท่านไม่อยากรีบแล้วค่ะหลวงพ่อแต่จิตเขารีบเองค่ะโอ้นี่แหละมันเป็นอนัตตานี่แหละท้ามันไม่ได้บัับไม่ได้พอฉันจะนอนะก็พยายามอีกอืให้รู้ทันเอานะรู้ทันว่าใจมันรีบร้อนใจมันพยายามบังคับก็ไม่ได้อืเล่งก็ไม่ได้ทําก็ไม่ได้โอ้ถูกเป๊ะเลยแล้วหลวงพ่อ จิตมันคิดทั้งวันทั้งคืนเลยอะค่ะหน้าที่ของจิตนะจิตคิดไม่เลิกหรอกเราจะไปห้ามจิตไม่ให้คิดไม่ได้มันมีแต่คําว่าไม่ได้ทั้งนั้นอะตอนนี้ทําอะไรมันก็ผิดหมดเลยอะเจ้าค่ะหลวงพ่อใช่แต่ไม่ทําผิดมากกว่านะทำํำไปเถอะแต่มันก็ทําทุกทุกวันเลยอะค่ะ<ต>แต่ทํำต้องอย่างนั้นเนื้อตีดมันตึงหมดเลยอะค่ะหลวงพ่อเขาดูนะดูใจใจมันอยากมากก็รู้ใจมันเล่าร้อนขึ้นมาก็รู้รู้ทันใจที่เล่าร้อนนอะ แล้วฉันนะ่ะจนป่านนี้ก็ทําสมาธิในรูปแบบไม่ได้เลยเจ้าคาหลวงพ่อนั่งขยับไปก็ได้นะขยับขยับนะ่ะพอได้แต่ว่ามันมันก็หนีเก่งมันหนีคิดทุกวันเลยอะคะ่ะขยับนะขยับไปแล้วจิตหนีไปแล้วรู้ขยับไปแล้วจิตหนีแล้วรู้คือพออายุเยอะขึ้นเนี่ยต้องเอาร่างกายมาช่วยเนะนันจิตมันจะหลงไปง่ายาาช่วงนี้ยรู้สึกว่า มันจะเลอะเลือนเพราะคมชาลานะคะ่ะนี่ไงต้องขยับไหมนะมันจะไม่หลงเอาร่างกายนี้ช่วยเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวไปเรื่อยนะตอนนี้ต้องเคลื่อนไหวร่างกายหน่อยใช่ไหมคะใช่ขยับมื อ, อไปก็ได้น ะ, ะเดินมากมันก็เมื่อยเราอายุเยอะขยับไยับไปนะใจไหลแล้วรู้ใจไหลแล้วรู้ไปสู้เอานะมันจ<อ>ําเป็นเพราะว่าสภาพร่างกายเขาสุดโทมแต่ใจก็ยังสู้อยู่คะ่ะหลวกพอ เนี่ยเขาขยับไปเราก็ดูเอาเวลาเราจะตายบางทีเจ็บเยอะเราก็ซ้อมสู้ของเราหราลวงพ่อคิดว่าช่วงเนี้ยฉันผิดพลาดบกพร่องตรงไหนให้หลวงพ่อชี้มาจระเลยค่ะหลวงพ่อไม่ไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องกระนอมเลยแล้วค่ะชี้ให้จระเลยค่ะเวลาของฉันมันเหลือ น, น้อยแล้วจ้ค่ะหลวงพ่อที่ผิดจาะเลยน ะ, ยะใจร้อนอะใจร้อนเนี่ยที่ผิดอยู่ กลัวไม่ได้ผลกลัวไม่ทันให้รู้ทันตัวนี้ลงไปอย่าไปกลัวมันเนี่ยขณะเนี้ยนะมันก็เนี่ยมันเห็นไหมใจกระสับกระสายใจกระสับกระสายแล้วเนี่ยมันสั่นไปหมดเลยค่ะหลวงพ่อเนี่ยดูใจเขาสั่นของเขาเองช่วยมันคิดเลยนะพิจารณาเข้าไปเลยมันสั่นของมันได้เองนะมันไม่ใช่ตัวเราหรอกหลวงพ่อแล้วที่ฉันรู้สึกว่า ฉันรู้สึกว่าฉันพอแยกขันได้ไว้บ้างแต่และอย่างในหลวงพ่อว่าแยกได้จริงไหมแยกจริงนะแต่ตอนนี้สมาธิเราไม่พอใจเราฟุง้งซ่านแต่ฟุง้งซ่านมากจริงเออๆเลยค่ะนั้นขยับตัวไปแล้วรู้สึกขยับแล้วรู้สึกนะไม่ทําตัวนี้นะนนะให้กันบ้านค่ะค่ะกราบนักบัณฑิการหลวงพ่อครับคือจิตเขาเขาเห็นอานิจจังเองซึ่งมันแตกต่างจากการเหตุทั่วไปอครับที่อะไรเป็นปัจจัยตรงนั้นนะครับหลวงพ่อครับปัจจัยอะไรนะ ปัจจัยที่ทำให้เกิดจิตเขาเห็นเองนะครับเห็นอนิจจจิต้องเห็นเองสิถ้าเราฝึกให้มันมีสติคอยรู้ไปนะแล้วจิตตั้งมั่นนะปัญญามันจะเกิดเองแต่ถ้าจิตเราไม่ตั้งมั่นเป็นคนดูปัญญาไม่เกิดไม่เห็นอนิจจงหรอกส่วนจิตจะไปเห็นมุมไหนนะอนิจจงทุกขังอน้าตาจิตเขาเลือกของเขาเองเราเลือกไม่ได้หรอกเรามีแค่มีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางหน้าที่เราจบแค่นี้ละ ที่เหลือเข้าเป็นเองแล้วนะกรับนักสการค่ะไม่ได้ส่งกันบ้านมาหเดือนนะคะอขออนุญาตรายงานผลการภาวนานะคะก็ใช้รูปแบบตามที่ได้ศึกษาจากของหลวงพ่อเป็นส่วนใหญ่โดยส่วนมากนะคะจะถนัดเรื่องของการเคลื่อนไหวมากกว่าแต่สมาธิเนี่ยก็จะทั้งนั่งแล้วก็สวดมนต์นะคะ เราก็รู้สึกว่าหลังๆนี้จะจะแยกออกมาเห็นเห็นกายชัดมากนะคะว่าเหมือนกับเวลาั่งสมาธิเนี่ยมันจะแยกออกมาเลยว่าเราเห็นร่างกายเรานั่งสมาธิเราก็หายใจอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่นแหละขันมันแยกแล้วนะลมทั้งการเดินแต่แต่แปลกแค่ช่วงแป๊บเดียวทําไมถึงนิมิตเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยแต่ก็ไม่ดูไปแล้วก็เราไม่เฉยเฉนิมิตนิมิตเราไม่สําคัญนะเวลานิมิตเกิดเลยอย่าไปสนใจมันให้ย้อนมาดูจิตค่ะ นี่มิตรจะหายหมดอะค่ะตอนนี้ก็รู้สึกว่าจะจะบอกจะสุขก็ไม่ได้สุขจะทุกข์ก็ไม่ได้ทุกข์นะคะหลวงพ่อแล้วก็รู้สึกว่าตัวเองจะห่างจากโลกมากนะคะถูกแล้วล่ะเช่นว่าจะไม่ได้สนใจเรื่องของทางโลกมากตั้งที่จริงๆแล้วลักษณะงานจะขรุกกับโลกมากนะคะแต่ก็ห่างๆออกไเร า, <ม>าอยู่กับโลกนะแต่ใจเราไม่เกาะกับโลกโลกโลกแบนๆไปโลกไม่กลมแล้วโลกจะแบนๆ ไม่มีอะไรมาเราใจเราให้ไหลเข้าไปหรอกกราบนมัส ก, การหลวงพ่อคะ่ะอันนี้ส่งมาเป็นที่รอบสองค่ะรอบแรกส่งตอนน้ำท่วมค่ะ<อ>ก็ตอนนี้นำรถค่ะ <c oughs> ก็ที่ทำทุกวันก็คือลุยก ย, ยกไมยกไม้ก็จะสวดมวนต์แล้วก็นั่งสมาธิะคะ่ะ<อ>แล้วก็พยายามรู้สึกตัวในชีวิตประจำวันนะคะก็จะคือตามรู้แต่ว่าพอหลังจากรู้แล้วมันจะเริ่มเป็น อกุศลกับกุศลในสิ่งที่คิดอย่างเงี้ยค่ะเริ่มเริ่มแบ่งได้แล้วได้ได้ดีค่ะหนูคอยรู้ไปนะจะต่อไปมันจะเกิดปัญญามันเห็นว่ากุศลก็ไม่เที่ยงอกุศลก็ไม่เที่ยงค่ะแล้วก็ตอนนั่งสมาธิกําหนดพุทโธค่ะเวลาจิตไหลไปคิดหรือว่าฟงสร้างจะเดึงมาพุทโธแล้วบางทีมันจะกลายเป็นเห็นว่าร่างกายเรามันไม่ใช่ของเราเออมันก็เลยเป็นทุกข์ก็เลยเห็นว่าจิตมันทุกข์เข้าไปอีกค่ะเห็นถูกแล้วล่ะไม่ทําสม่ําเสมอนะ ทําได้ดีอยู่ขอการบ้านหลวงพ่อทำง่าย<ช>ที่<ะ>ทําอยู่นี่แหละทําถูกแล้วทําบ่อยๆอ <c oughs> <c oughs> ได้ค่ะขันมันก็แยกแล<า>้วดีหลวงพ่อคะขอโอกาสให้แฟนในไมพอดีเขาเดินจงกรมกับนั่งสมาธิทุกวันแต่ว่าไม่กล้าส่งการบ้า น, น่ะคะเลยน้ า, าส่งมากราบนมัสการหลวงพ่อครับผมก็เดินจงกรมกับนั่งสมาธิมาประมาณ หกเจดเดือนแล้วครับเดินจงกรมแล้วนั่งสมาธิแล้วก็รู้ทันใจเราไหมก็รู้บ้างไม่รู้บ้างครับก็ต้องขยันรู้หน่อยเช่นนั่งอยู่นะใจเราเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้ใจสงบก็รู้ใจฟุ้งซ่านก็รู้อนะเวลาเดินก็เหมือนกันครับเป็นสุขก็รู้เป็นทุกข์ก็รู้สงบก็รู้ฟุ้งซ่านก็รู้ดูไปเลยให้รู้แตทันใจเราไม่ได้เดินสงเด่นหรเราเดินแล้วเราก็รู้ทันใจของเราไปแต่ก็นั่งเราก็รู้ทันใจของเราไปนะ หลับนมัส ก, การหลวงพ่อนะครับปัญหาของผมคือผมเป็นคนชอบคิดอะครับ อ, มอืมันกีเลตเกิดทั้งวันเลยครับแล้วก็ไม่ค่อยตั้งมั่นเท่าไหร่ส่วนใหญ่มันจะไหลไปรวมกันจนจนกลายเป็นตัวที่ใหญ่อะครับผ ม, มทําให้เป็นทุกข์ขึ้นมาก็เลยขอโอกาสท่านแนะนําการปฏิบัติในชีวิตด้วยครับผมต้องต้องซ้อมให้มากหน่อยนะตรงที่จิตเคลื่อนเร้ารู้เนี่ยซ้อมตัวนี้ให้เยอะเลยนะแม่้มันเคลื่อนมันยังไม่เข้าฐานครับผมนะ เคลื่อนเรารู้เคลื่อนเรารู้นะขอบคุณครับนมัสการคะ่ะโยมขอถามสองเรื่องออเรื่องที่หนึ่งเครื่องฟุ้งในธรรมกับเรื่องสมาธิค่ะคือตอนนี้โยมเห็นหน้าตาชัดขึ้นเห็นตั้งแต่วงจรของปฏิสนุบปะบะว่างแต่อวิชชาจนถึงโสกะเนี่ยก็คืออนัตตาถ้าเกิดวิชาแยกมาว่าเห็นทุกขนะ์นะ่ะถ้าถามว่าถ้าเกิดเราเห็นตั้งแต่หน้าตาครั้งแรกน่ะความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นเราเสร็จแล้วเนี่ยพอยมนั่งรถมา โยมก็เห็นว่าเล็บหนังก็เป็นอนัตตาโยมเห็นถูกหรือเปล่าคะเห็นเห็นนะแต่ยังไม่ถึงขั้นเห็นอวิชชาหรอกนะอวิชชาไม่ได้เห็นอย่างนั้นออวิชชาจะเห็นตัวขันเนี่ยเป็นตัวทุกข์ทั้งหมดเลยค่ะนี้โยมเห็นรู้สึกว่าโยมรู้สึกว่าอนัตตาเนี่ยมันต้องมีลึกกว่าลึกกว่านั้นอีกแต่โยมยังไม่รู้ว่ามันลึกไงเฮ้ยหไปหามันอ๋อคือโยมไม่ได้หาแต่ไัจะฟุงในธรรมนะอ๋อฟุ้ง ดูลงปัจจุบันไปดูทุกอย่างที่กาลังปรากฏในปัจจุบันเนี่ยมันสลายตัวให้ดูไปไแล้วเพอเค่ะแล้วก็มีวันหนึ่งยอมเห็นความมุญจิตร์พอเห็นตากระทบรูปปับ๊บยอมกดความกุญจิตมากแล้วยมก็เห็นผู้รู้ตัวหนึ่งแล้วความกุญจิตตัวหนึ่งแล้วเสร็จแล้วยมก็เห็นว่าตรงกุญจิตนะ่ะก็เป็นแค่ขันท่าที่มันปรุงใช่เป็นขันที่มันปรุงขึ้นมาเองเออต้องเห็นอย่างนั้นอะ่ะอ่าที่มันปรุงขึ้นมาเองแล้วขันที่มันปรุงขึ้นมาเองเนี่ยมันก็คือ ก็เป็นอนัตตาเพราะเห็นอย่างงั้นปั๊บมันก็เกิดการดับอพอดับปั๊บรู้สึกว่าถ้าเกิดว่าเรามีสติเรารู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นคือนาตามันก็จะดับตรงอย่าไปจำมันนะอย่าไปคิดมันทิ้งมันไปเลยเอาปัจจุบันเอาปัจจุบันเออนะไม่งั้นจะจําไว้พอจำแล้วใจมันจะคาดล่วงหน้าสภาวะเกิดมันก็อนัตตามันจะทิ้งหมดเลยเสจแล้วใจมันจะไปโล่งว่างอยู่นะอยากพลิกเข้าไปหาความว่างแทนแล้วอยู่กับปัจจุบันจริงๆเล เห็นมันเกิดดับไปเ้วยส่วนจะเห็นอนัตตาหรือจะเห็นอ น, นิจจังไม่สำคัญหรอกนะถ้าพวกปัญญากล้าไม่เห็นอนัตตาแต่อย่าไปคิดนามันคิดไปอ๋อคิดไปด้วยใช่ไหมฮะ mm hmm. คือมันเห็นด้วยและคิดด้วยใช่มันชักจะจำได้มันชักรู้มากมัน ร, ร, รู้ว่าถ้ามองเป็นอนัตตาเดี๋ยวใจปล่อยแล้วใจสบายอะไรเกิดขึ้นอุ้ยอนัตตาสบายแนละ้วมันจะออกมาแนวนี้นะ oh. เอออย่าหลงกล น, นะ โยมก็กลัวหลงก็เลยมาหาหลวงพ่อเออดีที่มาหานะดีถามดีเพราะงั้นเดี๋ยวพลาดพลาดง่ายนะตรงนี้แล้วเรื่องอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องสมาธิเรื่องสมาธิเนี่ยคือโยมนั่งแล้วเหมือนจิตรวมอยู่ประมาณสองครั้งครั้งที่สมเนี่ยจิตมันรวมแล้วมันสว่างอยู่กลางอกเพราะสว่างกลางอกปั๊บความคิดมันหายไปมันเหลือแค่ลมอืแล้วก็ดูลมหายใจเฉยๆแล้วเสร็จแล้วก็ถามตัวเองว่าเอ้าแล้วไปไหนต่ออืตรงนี้ไงจิตมันถอดละมันเริ่มคิดขึ้นมาได้แล้วเห็นไหมความคิดกลับมาละ คือเวลาที่จิตสรงสมาธิจริงๆนะไม่คิดไม่เนื้อเไรนะรู้ตัวเฉยสว่างว่างถ้อมันถอนนะเนี่ยมันเริ่มพูดได้แล้วตัวมาพูดได้แล้วเราก็ไปบ่นตัวเองไม่น่าพูดขึ้นมาเลยทําให้เราสมาธิถอนความจริงถอนถึงจะพูดนะไม่ใช่พูดแล้วถอนแมันถอนแล้วจิตมันรวมมันก็จะนิ่งๆไปเลยมันรวมมีหลายแบบบางพวกรวมเพราะกับโมหะไปเลยลืมเนื้อลืมตัวไปเลยนะบางพวก ก็โลกธาตุดับเลยนะเหรือท่านตัวรู้เด่นอย่างนี้เลยอย่างนั้นแหละดีแล้วก็พอเสร็จแล้วนะ่ะมันมีเรื่องสินเข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยมันเข้ามามัในวัฏจิตว่าสิลนนะ่ะเราต้องมีให้มากที่สุดต้องรักษายิ่งกว่าชีวิตถ้าเราไม่มีสินต่อปฏิบัติดียังไงอ่ะมันก็ไม่ไม่ก้าวหน้าเมืมันเหมือนก็เห็นว่าสิลนนะ่ะมีความสําคัญมากสําคัญนะแต่รักษาศินนะ่ะมีนิดเดียวนะมีสติรักษาจิตไหม ศีลขอหนักปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกเขาเรียกว่าอินทรียสังวรศีลอินทะรียสังวรไม่ใช่ไม่ดูไม่ฟังเมื่อดูแล้วกิเลสเกิดรู้ทันเมื่อฟังแล้วกิเลสเกิดรู้ทันนะขอการบ้านด้วยค่ะอย่าไปคิดนำนะเดินปัญญามากไปดูลงปัจจุบันเป็นหลักไว้ดูปัจจุบันให้มากขึ้นใช่อยู่กับปัจจุบันอย่าไปคิดนาคิดมันไปติดคิดนาไป ปัญญามันล้มนะ่ะขอบคุณค่ะงั้นหมดแล้วล่ะโอโหพอดีเลยไหมสิบโมงเชิญ